บูชารักความเสียของคนมีหลายชั้นเสียทรัพย์เสียตัวเสียใจเสียชื่อเสียคนและเสียอื่นๆอีกหลายอย่างโปรดคิดเอาเองก็แล้วกันที่พูดถึงนี้อยากจะพูดถึงเหตุที่ทำให้เราเสียสักอย่างหนึ่งความรักเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนเสียได้หลายประตูเนื่องจากคนเราอยากรักแต่รักไม่เป็นถ้าคนไม่อยากรักเสียเลย ก็สิ่งเรื่องความรักทำให้เสียไม่ได้หรือถ้าอยากรักแล้วก็รักเป็นรักถูกก็ได้เหมือนกันคนเรารักกันแล้วมีความสุขความเจริญได้ดีได้ดีมีหน้ามีตาก็มีถมไปการทำผิดต่อความรักมีหลายอย่างแต่ขอพูดพอเป็นทางคิดนิดๆหน่อยๆคือเรื่องบูชารักการบูชารักให้สำหรับรักใหม่ประเภทรักแรก ถ้าเป็นต้นไม้ก็เรียกว่าแรกปลูกรากยังไม่จับดินยังต้องรดน้ายังต้องใส่ปุ๋ยแต่คําว่าบูชารักนี้ข้าพเจ้าพูดตามภาษาชาวบ้านที่จริงจะเรียกบูชาหรืออะไรก็แล้วแต่จะว่าแต่เอาความเห็นข้าพเจ้าจริงๆแล้วยังไม่อยากใช้คำว่าบูชาว่ากันแค่ใส่ปุ๋ยรักหรือพรวนดินให้รักแค่นี้ก็พอแล้ว เอาเป็นว่าพูดให้คนอื่นรู้เรื่องที่จะพูดก็แล้วกันพูดอะไรแล้วให้คนอื่นไม่รู้เรื่องด้วยประเดี๋ยวก็จะต้องไปอยู่กับพวกไม่ได้เรื่องฝั่งโน้นเท่านั้นเองคือมีบางคนโดยเฉพาะคนหนุ่มคนสาวมารักกันเข้าแล้วอยากจะบูชารักคือทำอะไรด้วยความเด็ดเดี่ยวให้คนรักเห็นแต่ไปเกิดทำความชั่วความผิดซึ่งบูชารักเช่นหนีโรงเรียนดื้อด้านต่อพ่อแม่ ลืมญาติดูถูกพี่น้องของตัวจนกระทั่งทำการเนรคุณต่อผู้มีพระคุณหรือฝ่ายชายก็แสดงกิริยาท่าทางนักเลงชกต่อยตียรันฟันแทงให้ขวัญใจได้ชมดังนี้เป็นต้นซึ่งรวมความว่าหาเรื่องทำความชั่วให้อีกฝ่ายหนึ่งเห็นเขาจะได้รักมากๆถ้าทำแล้วเขาก็ยังไม่รักก็ตัดพ้อต่อว่าว่าตัวยอมทาถึงอย่างนี้ก็เพื่อความรักยังไม่เห็นใจอีกหรือ แล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็มักจะเห็นใจจริงๆการทำอย่างนี้เจตนาดีด้วยกันทั้งสองฝ่ายคืออยากได้รักมากๆให้ความรักมันเข้มข้นกว่าใครๆแต่ในสายตาของนักธรรมะจะเห็นว่าการทำความผิดบูชารักเป็นจุดพร่อยในความรักแม้ได้รักมาก็เป็นรักที่มีเชื้อโรคมีรอยตำหนิเหมือนจุดในปอดซึ่งจะเป็นอันตรายในวันข้างหน้า ความเข้าใจที่ว่าการทำความผิดบูชารักนั้นเป็นความเข้าใจผิดที่แทรกโดยความหลงคือโมหะเจ้าโมหะนี้มันแทรกได้ทุกอย่างคนรักกันมันก็แทรกได้คือทําให้หลงรักคนโกรธมันก็แทรกได้คือทำให้หลงโกรธในกรณีที่คนอยากบูชารักนี้ก็เหมือนกันมันก็เข้าแทรกใจให้หลงบูชาด้วยความผิดเราคิดดูง่ายๆก็ได้ว่า ความรักที่เราต้องการนั้นเป็นของดีแต่การทำผิดนั้นเป็นของชั่วของเสียถ้าเราทำผิดเพื่อบูชารักก็หมายความว่าเราเอาของเน่าของเสียไปบูชาของดีใช่ไหมละ่ะผิดหรือถูกแน่นอนมันจะต้องผิดอยู่อย่างหนึ่งจนได้คือในกระบวนการแห่งความรักนั้นมันจะต้องมีอะไรเสียอยู่ถ้าความรักไม่เสียก็คนเสียหรืออาจเสียทั้งสองอย่างก็ได้เพราะว่า ถ้าความรักนั้นเป็นความรักที่บริสุทธิ์ดีแท้เหตุใดจริงชอบให้เราสังเวยด้วยของเสียรักใดที่มีของเสียเป็นพักษาหาน ร, รักนั้นก็เก๋ถ้ารักดีจริงชอบที่จะรับบูชาด้วยของดีดีจริงไหมอีกมุมหนึ่งคือคนที่ครองความรักถ้าใครทำความผิดบูชารักคนนั้นก็เสียเป็นคนที่ไม่น่ารัก แล้วก็เหตุใดเราจึงไปหลงรักคนที่ไม่น่ารักอย่าลืมว่าคนรักของเราคนใดชอบที่จะให้เราทำความชั่วให้เขาดูดีอกดีใจเมื่อเห็นเราทำความชั่วเช่นกล้าเถียงพ่อแม่หรือกล้าเนรคุณผู้มีคุณให้เขาดูแล้วเขาก็อิ่มอกอิ่มใจผู้นั้นไม่ใช่คู่รักแต่เป็นคู่เวรไปภายหน้าเขานั่นแหละจะต้องทาความชั่วบนหัวใจของเรา ถบัดนี้เขาชอบให้เราด่าคนอื่นให้เขาฟังเขานั่นแหละจะชอบด่าเราเราจะเป็นอาหารปากให้เขาทุกเช้าคำ่ำคิดดูถ้าท่านขี่พญาหงท่านก็จะได้เหินฟ้าแต่ถ้าท่านอาศัยแมลงวันเป็นพาหนะแม้มันจะบินขึ้นฟ้าบ้างตอนแรกบินแต่แล้วก็พาวกเข้าหลังบ้านจนได้